ทรงปรารภภิกษุพวกพระอัศชิและพระปุณพัสสุกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุพวกพระอัศชิและพระปุณพัสสุกะถูกสงลงปรปภาชนิยกรรมแล้วกลับกล่าวหาว่าพวกภิกษุลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัว